สาธุแปลว่าดีมันเป็นคำภาษาบาลีสาธุก็แปลว่าดีแล้วที่ที่พึ่งทางใจของชาวมนุษย์คืออะไรบ้างก็คือพุทธธรรมสงฆ์ควาว่าบ้างหมายความว่าอธิบายมาก ถ้ามีบ้างอยู่ท่ามก็เรียกว่าอธิบายมากคือพุทธธรรมสูงพุทธธรรมสู์อยู่ที่ไหนพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะท่าใจของเราเคารับนับถือก็อยู่ที่ใจของเราแต่ละท่านแต่ละบุคคลเพราะพุทธธรรมสูงสอนเนือโลกทั้งปวงอยู่ทุกมือไม่มีประมาณ ค่าค่ะคำว่าสอนอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเพราะคาสอนแต่ละบทละบาทสอนอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนถ้าหากว่าคาว่าสอนอยู่ในที่กลางวันกลางคืนคือหูอปัญญามันได้ยินไม่ไม่ใช่หูทิพย์ไม่ใช่หูทิศแก้มสองหูด้านปัญญาต้องเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาะธรรมศานะสตร์ศาสนาะสอนอยู่ไม่มีกลงวันกลางคืน ใครจะฟังหรือไม่ฟังก็เป็นเรื่องของผู้ฟังก็เป็นเรื่องของผู้ไม่ฟังฟังในที่นี้ไม่ใช่ฟังด้วยหูฟังด้วยปัญญาเรียกว่าหูปัญญาสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายไม่อิม่มก็คือคือสุขใครก็ชอบสุขทุกๆ ท, ท่าน เหตุนั้นปานาติบาจึงเป็นหลักเบื้องต้นของวัพุทธศาสนาห้ามไม่ให้เบียดเบียนกันยังมีเสี้ยนห้าบริบูรณ์ไม่ค่าสารรักทรัพย์เพื่อผิดในกรามเป็นพรหมจรรย์เบื้องต้นของวัพุทธศาสนามีความละอายต่อบาบมีความกลัวต่อบาบเป็นคนเคยได้ยินได้ฟังเป็นคนมีสติเป็นคงมีมั่นคงเป็นคนมีปัญญา จะปรึกษาสิ่งใดกับใครก <laughs> ็ไ <null> ม <ges> <practice>? ่ป <Their> ร <quality>? ึกษาเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นจะคิดสิ่งใดก็ไม่คิดเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นจะพูดสิ่งใดก็ไม่พูดเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นจะทำสิ่งใดก็ไม่ทำเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นมีความเห็นชอบมีเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วไดชั่วเป็นต้นให้ทานโดยคารมคือเชื่อเพื่อเพื่อแกของตัวเอง และผู้รับทานนั้นไม่หลุดอาการดุดดึดงสีนะนี่เป็นที่พึ่งของตนอีกนาฏกนนธาธรรมคือทำทำที่พึ่ ง, งสิบอยศีลรับขาการรายกายเนียบร้อยนี่ละอายตวาวทุตจวิตรโอตปะสะดุ้งครูต่อวาวทุตจริตรพาหวัวสัจจ์เป็นผู้จําทรงธรรมศีลปาวิทยามาจักขล ะ, ะสิ่งของของตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผืน ปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารจักรภูมของสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ไหมเป็นประโยชน์อีกรวยนี่เนี่ยควาทรัพย์ภายในก็ว่าตรงแสงหาให้มีในสันดานดีกว่าทรัพย์ภายนอกผู้ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งหัวใจเดินเข้ามาในวัดก็เท่ากับว่าเปลื่อยกายหรือเปินเดินไปที่อื่น ก็เท่ากับว่าไม่มีที่นุ่งที่ห่มค่ายๆกับเป็นยกเป็นบุคลาธิฐานค่ายๆกับคนเปลืยกายไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มนุ่งห่มในที่นี้หมายถึงจิตใจไม่มีธรรมะเป็นเครื่องนุ่งเครื่องห่มแต่อุปมาเหมือนไม่มีเครื่องนุ่งเครื่องห่มของกายจึงเป็นบุคลาทิฐานเข้าใจชัดเพราะธรรมเทศนามันมีอยู่สองอย่าง บุคคลาธิฏฐานมีวัตถุรละบุคคลเป็นที่ตั้งและมีธรรมาทิษฐานเจียกันอยู่ด้วยส่วนธรรมาทิษฐานรุ่นรุ่นนั้นก็คือกล่าวเรื่องใจรุน่นรุ่นไม่ได้กล่าวเอาวัตถุหรือบุคคลมาเป็นยกเป็นอกชหร o r n คำสอนของพุทธศาสนาเทศอยู่ก็มีบุคคลาทิษฐานกับธรรมาทิฏฐานเท่านั้นบุคคลาธิฏฐาน ยกวัตถุและบุคคลเป็นที่ตั้งแต่มีธรรมะทิฏฐานเจือกันคือใจส่วนธรรมะทิฏฐานนวลล้วนังกาแต่เรื่องขณะของจิตระวังใจไม่ให้กําหนดนะไม่ให้กําหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดระวังใจไม่ให้ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองระวังใจไม่ให้ หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงระวังใจมาให้มัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาอันนี้เป็นธรรมาทิฐานล้วนๆอันนี้ไม่ใช่บุคคลาทิฐานอันนี้บุคคลาทิฐานนั่นก็คือพระโสดาบันพระสขทาคาวีพระนาคามีพระอรหันต์อันนี้มีบุคคลาทิฐานเจือธรรมาทิฐาน พระโสดาบันมีทําอะไรบ้ามีศีน้าบริบูรณ์ไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดศีน้าไม่เสียดายอยากล่วงอาบายมุกไม่เสียดายอยากจะถือศาสตรดาอื่นไม่เสียดายอยากจะค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นแลงเนื้อสัตว์ที่ตัวข้า เพื่อเป็นอาหารค้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้พ ร, นพระโสดบัณฑิตสัสดิบาลไม่เสียหนาย้าอยากรวงละเมิดเลยพระไม่ลำบากใจพระเห็นชัดด้วยตาปัญญาคือดูได้ดวงตาเห็นทมแล้วว่ามันเป็นเวรเป็นภัยว่ามันเป็นการค้าขายไม่ชอบทาเหตุนั้นชาวโลก เป็นมิจฉามณิชาการค้าขายไม่ชอบธรรมจึงอนรมานอยู่ทั่วโลกขายเครื่องประหัตประหารแข่งกันเรีนจิงสนองเรนไม่ได้ไม่ได้อวดทางเมตตากรุณาอวดทางฆ่าทางแกงกันเหตุนั้นปานาติบาจึงเป็นสิขาบทรั้งต้นทีนี่ส่วนพระสกทาคารนั้ น, น ละเอียดไปกว่าพระโสดาบันอีกค่ายค่าว่าพระโสดาบันกับพระสกทาคามีนี่เรียนหนังสืออยู่ในภูมิเดียวกันถ้าเทียบเป็นวัคคราธิฐานแต่คนหนึ่งสอบได้เทียบอีกคนหนึ่งสอบได้เทียบโทในชั้นเดียวกันนั่นเองส่วน พระอนาคามีนั้นมาเป็นชั้นหนึ่งขึ้นไปอีกองค์ท่านไม่มีราคองค์ท่านไม่มีโทสะเลยไม่เสียดายอยากจะกาหนัดในสกล ก, กายว่าเป็นของสวยของงามไม่เสียดายในกรมารมณ์เลยละอายกรรมอารมณ์อีกเสียด้วย จิตไม่นึกพรุงแต่งไม่ไปในทางการมารมณ์อันห ย, ยาบยาบเส้นเพศตรงกันข้ามเป็นต้นแต่ยินดีในบุคคลบางคนและในพัสดุบางสิ่งมีอยู่ก็อนาคามีแต่ไม่ได้ยินดีในเรื่องการมารมณ์อันห ย, ยาบยาบโทสะรมไม่มีเสียเลย ไม่ได้ลำบากไม่ได้รับลดบความหงุดหงิดในใจเลยส่วนโมหะลงมีอยู่พระเป็นผู้สําคัญตัวแบบละเอียดเป็นผู้เลิศกว่าเขาสําคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาเป็นผู้เลิศกว่าเขา สำคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เลิศดกว่าเขาสำคัญตัวว่าเรีวกว่าเขาเนี่เป็นสามข้อเป็นสามประเภทเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวว่าเลิศดกว่าเขาเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวว่าตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวว่าเรียวกว่าเขาเนี่เนเนยเป็นหก สำคัญตัวว่าเสมอเขาก็เป็นกิเตสําคัญตัวว่าเร็วกว่าเขานี่เรียกในฝ่ายทอมต้นอันนี้ก็ยังเป็นกิเลตอยู่นี่นี่เป็นข้อเนื้อซ้าเป็นผู้เร็วกว่าเขาเท่านี้สําคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาอันนี้เยอะยิงเป็นผู้เร็วกว่าเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาอันนี้ก็เยอะยิงเป็นพระ ผู้เลวกว่าเขาก็สำกันตัวว่าเลวกว่าเขาอันนี้ไม่เย่อหยิน่นี่พูดตามตรงเมื่อสำคัญตัวในที่ใดใดก็เป็นกิเลสทั้งนั้นส่วนพระอาหารหันต์ไม่ได้สำกันคันตัวในที่ใดใดเลยเหตุนั้นท่านจึงไม่มีกิเลสท้าพระพุทธศาสนาละเอียดไหม ละเอียดถึงขนาดนั้นทำไมเราจรึงพิจารณากรรมฐานถ้าเราไม่พิจารณากรรมฐานคล้ายๆกับเครื่องบินมันบินอยู่เร็วที่สุดมันไม่สามารถจะทิ้งลูกระเบิดลงที่หมายได้ ฉั้นใดกด็ดีจิตใจของเราวิ่งอยู่ก็ไม่สามารถจะยืนดูอันใดอันหนึ่งอยู่มันก็ไม่เห็นชัดทําไมจึงให้ทําสมาธิก็เพราะอยากจะให้เห็นชัดในเรื่องกิจที่พักและอยากจะให้เห็นชัดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งที่เราพักสงบอยู่นั่นเองให้รู้จักรถของมัน เอ่มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ถอนออกมาแล้วให้เห็นว่าทำจําจพวกนี้ก็ยังเป็นอนิจจงอันละเอียดอยู่เนะ้อเยื่อยังอยู่ไม่ไหวก็ต้องถอนออกมาแล้วจะได้ไม่ยึดมั่นถือมันในสิ่งใดๆในโลกทำสมาธิถึงชั้นนี้แล้วก็ยังผับเปลี่ยนไปมาอยู่เสมอๆก็ยังถอนออก เผื่อจะได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นจะพริจนาตลอดรุ่งตลอดค่ำหรือจนกลับคากันท่านก็ไม่ได้ว่าเหตุนั้นจึงได้ชื่อว่าวิปัชนาธุระนีปัชนาธุระคือธุระทางปัญญาไม่ใช่ธุระทางศีลไม่ธุระทางสมาธิไม่ใช่ธุระทางปัญไม่ใช่ ธุระทางศีลและสมาธิและอันอื่นแต่ก็มีศีลอยู่ในตัวเพราะตัดศีลลงในสิ่งที่ภาวนาชี้นานุสติและลึกถึงศีลของตนที่รักษานั่นมันก็เป็นสมาธิอยู่ในตัวแล้วปัญญารอบรู้ในศีลที่ตนรักษามันก็เป็นปัญญาเป็นนหน้าอยู่แล้วนั่นนั่นไม่ใช่จะให้เอาร่างกายไปพระเนพานด้วย ให้พิจนาให้เบื่อนาที่เราหลงว่ามันเป็นของสวยของงามที่เราหลงว่ามันเป็นของเที่ยงที่เราหลงว่ามันเป็นของสุขที่เราหลงว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลถ้าหากว่ามันเป็นตัวตนเราเขาสัตว์บุคคลแล้วทำไมมันจึงแย่งต่อตัวตนที่เรียกว่าอัตตามันเมื่อมันแย่งต่ออัตตาคาว่าตนแล้วมันจะยืนยันว่าตนมันก็ไม่สนิะ ถ้าหากว่าตนแล้วมันก็ต้องไม่ต้องแก่ไม่ต้องเก็บไม่ต้องตายเราไม่ต้องการต้องแก่เก็บตายและเปื่อยเน่าเลยแต่มันเป็นไปตามสภาพของมันเราจะมายืนยันว่าตนก็ยืนยันว่าต น, น, น, าต น, ตนโดยสมมุติเพื่อให้รู้จักความหมายกันเท่านั้นจะยืนยันจนแกะไม่ได้คาไม่ออกมันก็ไม่ถูกคำว่าตนก็ตนโดยสมมุติตามมจริงโดยสมมุติถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีความหมาย คำว่าสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเราเขานั้นมั น, ม, น, นมันเป็นทางปนามัตนะ่ะมันเล็กกว่ากันมันละเอียดกว่ากันหลังจะไม่ให้หลงเมื่อข้ามทะโลเลหลงแล้วมันก็เข้าสู่พระนิพานไปซ ะ, ะพระนพานแปลว่าดับเย็นข้ามความหลงไปหมดไม่มีหลงอยู่ในขันธะสันดานเรียกว่าพระนิพาน ความหลงเป็นแม่ทับของจิตทั้งหลายถ้าไม่โรคมันก็ไม่หลงถ้าไม่หลงมันก็ไม่โรคถ้าไม่หลงมันก็ไม่โกรธเหตุฉะนั้ น, น, นกองทับหลงจึงเป็นหัวหน้าทางจิลตแต่กองทับ ป, ปัญญาก็เป็นหัวหน้าทางศีลสมาธิเหมือนกันนนนันนั่ น, น, น, น, น พระพุทธศาสนาไม่มีแทรกแซงอยู่ในโลกแล้วโลกตั้งอยู่ไม่ได้มีปัญหาสอดเข้ามาว่าทำไมจึงมีลัทธิต่างๆกันแทรกแซ ง, แ ข, งแข่งดีแข่งดีนกันอยู่เพราะอะไรบ้างตอบเพราะเหตุว่ามีพระพุทธศาสนาประเสริฐกว่าโลกอยู่แล้วเหตุฉะนั้นจึงมีสิ่งที่มา แข่งดีแข่งเด่นกันอยู่ทำไมจึงมีนักน่วยโทได้นักน่วยตรีก็เพราะมีนักนวยเอกทำไมจึงมีมืดก็เพราะเพื่อจะแข่งสว่างทำไมจึงมีสว่างเพราะจะแข่งมืดทำไมจึงกะจึงมีความผิด พระมีความถูกแข็งยู่ทําไมจึงมีร้อนเพระมีความเย็นแข็งยู่ทําไมจึงมีท่องเที่ยวในวัตาทฏองสารพระมีพระนิพพานเหนืออยู่สิ่งทั้งปวงเป็นสภาวะอันแก้กันเช่นมีร้อนก็มีเย็นแก้มีมืดก็มีสว่างแก้มีชั่วก็มีดีแก้ ส่วนพระเนรพลแก้หมดแล้วไม่มีสิ่งที่จะอาจเอื้อมอีกเหนือความแก้ทั้งปวงเหนือสิ่งปัญหาทั้งปวงไปงแล้วไม่มีปัญหาอันใดจะอาจเอื้อมได้ไม่มีปัญหาอันใดจะอาจเอื้มมม อ, นน อ, อมต่อพระปัญญาได้ปัญญาส่องแสง ส, งสว่างทั่วตโลกธาตุเลยนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ สองสว่างหมดทั่วตั้งแต่โลกธาตุแลว้วเมื่อเห็นอันนี้จังชัดก็สองแสงสว่างทั่วทั้งแต่โลกธาตุพราะตจโลกธาตุเต็มไปด้วยความเกิดขึ้นแปรปลีน่นและแตกสลายย่อมปัญญานยะปริสุทธิ์ติบุคคลจะสิ้นความสงสัยก็บพระปัญญาปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก พระอาทิตย์เมฆหมอกคุมอยู่ก็มองมาเห็นอย่างนี้ไม่เห็นถนักที่มีกำบังก็สองมาทะลุส่วนปัญญาเห็นอนิจังทุกครังอนัตตานั้นสองทะลุหมดแล้วชองทะลุภูเขาด้วยชองทรลุแผ่นดินด้วย ทองสุขทั่วทั้งไตโรกระธาตุด้วยพระไตโลกระธาตุเต็มไปด้วยความเกิดขึ้นแปรปวนในแตกสลายภูเขาก็แตกสลายเป็นนั่นแผ่นดินนะช่องเสียนสี่มิลลิก็แตกสลายเป็นคือจะมีทั้งแผ่นดินไหวด้วยมีน้ําซ้ําไฟจะมาไหม่ด้วยแต่ละกับระกับเนี่ยเมื่อถึงศุนยจะกลับมาไฟก็ไหม้เสร็จตั้งแผ่นดินใหม่ พวกเราทั้งหลายได้ท่องเที่ยวในวัดดะสงสารมานานแล้วเราทั้งหลายอาได้เข้าใจว่าเป็นเรื่องใหม่เลยเ ร, เรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายเรื่องหิวโหวยร้องไห้พี่ไรลำพันเสียน้าหูน้าตาด้วยในวัตดะสงสารนี่ อย่าเข้าใจเป็นเรื่องใหม่เลยอเป็นเรื่องเก่าที่พวกเราทั้งหลายมาแล้วนั่นเองพระบรมศาสด า, ศาเธอทั้งหลายจงตรงทำสังเวทให้เคล็ดลาบในวัฏสงสารเถิดให้เช็ดลาบในเกิดในเก่ในเก็บในตายเถิดเรียนวิชาเช็ดลาบเรียนวิชาปลดอาวุธความเพลินในวัฏสงสารให้เค็ดลาบจ้ะาพูดอย่างนั้นอย่าไปเพิ่มความทะเยอทยานในโลกทั้งปวง จงเพิ่มธรรมะจงเพิ่มปัญญาจงหักดอกไม้บูชาปัญญาของตนจงยินดีในปัญญาของตนอย่าไปส่งเสริมราคะโทสะโมหะให้ตนเองหลงอยู่ในวัฏฏะสงสารนี่เถิดพรลมศสาชราทำแต่ละบทละบาทเราสอนพวก พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายให้บรรเทาราคะให้บรรเทาโทสะให้บรรเทาโมหะเธอทั้งหลายอย่าเอาไปบวกให้ทวีขึ้นเนอะพระบรมศาสตรเธอทั้งหลายจงลบออกนะให้เบาบางเลยเหือดแห้งหายไปถ้าหากว่ารักตนรักใจรักธรรมถ้าหากว่าเบียดเบียนตนก็ต้องเพิ่มราคะ ก็คือไฟเพิ่มโทสะก็คือไฟเพิ่มโมหะความหลงก็คือไฟราคตินาคือไฟโทสักคินาคือไฟโมหักคนาคือไฟไฟสามตองนี่เองเธอทั้งหลายจะดับด้วยทานวัตสีรวัตภาวนาวัตของเธอทั้งหลายนั่นเองซึ่งเป็นกองพลปัญญาเป็นหัวหน้า พุทธำส ง, สง์ก็ทรงถวนณที่นั่นเองพระบรมศาราคำสอนใดๆในใจโลกธาตุไม่เหนือคำสอนพระพุทธศาสนาไปเลยเหตุนั้นจึงไม่มีปัญหาที่จะสงสัยว่าเราจะเอารัทธิใดมายินดีมาเคารพมาปฏิบัติหนอผู้ที่ไม่สงสัยอย่างนั้น ท่านข้ามทะเลหลงชั้นพระโสดาบันไปแล้วถ้าผู้ใดยังสงสัยพระพุทธศาสนาะธรรมศาสตนาอยู่ผู้นั้นก็ยังเป็นโลกีอยู่จิตใจ ย, ยังเป็นโลกีค่ายกับพายเรือน้ำวนถ้าม่อย่างนั้นแล้วก็เดินตรงข้ามผาศูนย์กลางความหลงของตนออกถ้ามาอย่างนั้นแล้ว ก็เดินวนเวียนในความหลงของตนเหมือนมดเดินในขอบกระดงเขาไม่ห้า يل ว่ากูพูดมากอ่านดูสิไปในวัดหาพระได้อะไรบ้างก็ได้ไปสิผู้ไม่ไปได้อะไรบ้างก็ได้อันไม่ไปนั่นเองผู้ได้ฟังธรรมได้อะไรบ้างก็ได้ฟังธรรมนั่นเอง ผ <pitches. S 1> huh. ู้ไม่ฟังธรรมได้อะไรบ้างก็ไม่ได้ฟังธรรมนั่นเองมันก็บอกตรงตัวอยู่แล้วมาถามทำไมขู่เขาซ้าเขามาถามเธอรักษาศีลภาวนาเธอได้อะไรก็ได้อันรักษาศีลภาวนานั่นเองพวกที่ไม่รักษาศีลภาวนาก็ได้อันไม่รักษาศีลภาวนานั่นเองมันตรงตัวอยู่แล้วถามถามทำไมล่ะ บอกเขาอย่างนั้นทีนี้คนเราเกิดมาคนเราเกิดมามีแก่มีเก็ บ, ม, กบมีตายไหมท่านผู้ถามเอาก้อนแก่ก้อนเก็บก้บ อ, นกบอนตายมาถามผมผู้ตอบดรือฉันผู้ตอบก็เอาก้อนแก่ก้อนเก็บก้บอนตายตอบก็ไม่ควรถามกันเขาจะว่าบ้าว่าอย่างนั้นนรอ บุญมีไหมก็ผู้ถามก็เอาก้อนบุญก้อนาบาปถามก้อนบาปถามผู้ตอบก็เอาก้อนบุญก้อนบาปาตอบก็ไม่ควรถามกันตอบกันเขาจะเรียกว่าบ้าว <c oughs> <c oughs> ิญญาณมีจริงไหมผู้ถามก็เอามโนโวิญญาณถามคือใจผู้ถามก็เอาใจถามใจเรียกว่ามโนวิญญาณ ผู้ตอบก็เอาใจตอบเขเรียกว่ามาโนวิญญาณผู้ถามก็เอาโมนโนวิญญาณถามผู้ตอบก็เอาโมนโนวิญญาณตอบผู้ถามก็ไม่ควรถามผู้ตอบก็ไม่ควรตอบเขากจะว่าบ้านักปราชญ์ไทยขนันเว่าบ้าแต่คนฟังไม่รู้ไอ้หนูไอ้นี่อะไรหรอกความดีความเชื่อมีไหมดีก็เราเป็นผู้ทำเชื่อเราเป็นผู้พวกเราเป็นผู้ทำพวกทีู่้ถามผู้ตอบกันนี่แหละทา ดีก็ดีอยู่ที่ใจชั่วก็อยู่ชั่วอยู่ที่ใจเพราะใจเป็นผู้ทํำดีทาชั่วจะถามทําไมเป็นว่าด อ, อกหลีดูซ้ำอลัตน์นี่ด้วยเ ด, ดพระพุทธศาสนาด้วยเดชพระพุทธศาสนาอันทรงพระคุณข้าไม่มีประมาณและประสงค์มีอยู่ทุกการด้วย ไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้แล้วไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้เชื่อและไม่เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้เรื่อมใสแล้วไม่เรื่อมใสเมื่อเป็นอย่างนี้พวกเราทั้งหลายทุกท่วนหน้าที่มาในที่นี้ก็ดีที่มาได้มาในที่นี้ก็ดีจงด้วยเดชพระพุทธศาสนาจงเป็นสุขทุกท่วนหน้าในทางที่ชอบทุกทุกด้านจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกเมื่อเธอ พูดมากก็หารลงมาเป็นหนึ่งซะคือหนึ่งใจเพราะใจเป็นผู้พูด อืมไม่อร้ายไปไหอืมก็อยู่ที่ดวงใจสิบอกเขาอย่างนั้นพุทธธรรมสงก็อยู่ที่ดวงใจพรเอาไว้ที่ดวงใจคนโจรคนมารเขาก็เอาโจรเอามารไว้ที่ดวงใจเขาผู้ศรัทธาพุทธทธทรรมสงฆก็เอาพุทธธรรมสงไว้ที่ดวงใจอย่าไปสงสัยอะไร วัฒนธรรมเนมอสำคาญเนส ม, ส า, ม, า, มสายแล้วพ่นปดอารมณ์พ่นลายเด้ยย่พ่นมันค่นวุ่นไหวเด้ยพ่นลายลายก็เหานี่จะพันเถ้าฝนสายจะเห่านี่ออฮะ พระมาร่าไปนะเพื่อนกับว่าใครพูดดอกเพื่อนกันนั่งเบอง์ไฮมู้โตยุบเบอรังชี่นะ่ะเพื่อน่าพูดงนับคือเฮาเลยเพื่นสิขานเนี่ยเฮาจะพูดงนับงนับเกินหัว ข, ข, ของเพื่ <c oughs> <c oughs> อ งงวงนอนมีสองประเภทประเภทหนึ่งมันจินแทบนอนรับแต่ ง, งวงนอนประเภทหนึ่งเคยเป็นงูเหลือมมัจจาศรกนอนเท่ายกบโบอิมต มันเคยไปงูเหลือมมาแบบนั้นมันกินหลาย <c oughs> มันกินจุนจ <c oughs> มันห่วงมันห่วงนอนว่ะ มันเคยเป็นมูเหลือมมาแต่สร้ากรอนนพระพุทธเจ้าวา่าเน็ตไซอันมันคำว่าอะไรเนเน็ตไซด์ดวัฒนนาแก่บ่ไรแก้อะไ ร, ไรถ้าพระพุทธเจ้าองเดียวสาวกทั้งหลายแก่บ่ไรเน็ตไซดวัฒนาแก่อะไรทักิณละเดสาวกพระพุทธเจ้าน่แก้อะไรทั้งบุตรวัฒนนาทล้วทั้งเน็ตไสดด้วยสาวกนัสิเป็นพระหรันแกยังแก่บไ่ไ เออคอยเป็นเงือนเหลือมุ่เหลืองมาบอกคือพระเจ้าเฮาพระเจ้าเฮาละใดทั้งวัดสนาและเนตรสยละไดทั้งกิเลสชวนสาววอกสาวกาเนี่ยขละไดขละใดแต่กิเลสขละบ่ดขละบ่ใดกิเลสวัสนาและเนตสายละบ่ดคือภาษาในวุฒะห้องพ่อปได้ประนึ้งนี่ พ่อขวมบ่วมเต้นกับเปิดหวงซ้ำเนี่ยพ่เก้าขวมพ่วมเต้นกับขวมรดพระอรหันต์เนี่ยเขาเคยเต้นทั้งสั่นวะสั่นพระองค์เก่าพูดว่าโอ้ยเคยเธอเคยเป็นเรื่งมาหลายศารหลายภพติดกันวธนี้ใชอันไหนมันติดมากใก้กล้เลยเธอว่ม่ดดอกว่าสั่นเป็นว่าเ้ีจอดรถคนมาเวียนเดินมนุษยบด้รคคำลาอใบงมุก มันแหนล้าแนวเดินหนัเมาเที่ยวกันงคืนเทียวดุกันเล่นเลนการพราะนั่นครบค้นชั่วเป็นนิจฉาขันท ง, งานในทางที่สอบเป็นอาบาจ ม, มุกนัด น, นักเลงญิงนักแลงโซลานักเลงเล่นการทนงานครบค้นชั่วเป็นมจตะกูลอันมั่งคัง่งจ่อตั้งมาน่าไม่ได้เพระชาะสถานสี่ หนึ่งไม่แสวงหาพัทสุที่หายแล้วสองมองบุรณะพัทสุุที่ค้าค่าสามไม่รู้จปักประมาณในตารบริโภคกสมบัติสี่ตั้งสตรีหรือบุรุษผู้ศิีจเป็นแม่เรือนพ่อเรือนผู้หวังจะดำรงตระกูลควรเว้นสถานสี่ประการนี้เสียสอนโลกตรงตรงพระพุทธเจ้าปัทธิตโตคามาวาสังบันทิตเป็นผู้ครองเรือน บรรทิตเป็นผู้ครองเรือนก็บัรทิตคือบรรบรรดิตที่เป็นผู้ครองเรือนบัรทิตยพูดตามคําไทยบัรดิตเป็นภาษามรดิตัณฑิตานจากักเนเจ้าท่านางมุนโทูปัณฑิตานจากักเนเจ้าท่านางมุนโทู ผมมีเส้นหาบริบูบรณ์ไม่เสียดาอยากย่กงนำมีเส้นหาไม่เสียดายอยากจะถุอศาสตร์าอื่นไม่เสียดายอยากถืออยู่ย่อมขมกระพันถือเรเรมียม้วนคนละคาถาไม่เสียดายอยากจะจองเว้ท่านผู้ใดนั่นคือผู้พระโสดาบัน ได้ซับเต็มเพ้นท์ฝ้าเพ้นดินกับวัฒอ์ไทายอันนี้ขันชนพระสดาวันแล้วมนุษย์สมพระได้โล ก, กุตละสมบัติเนี่ยมันดึงมนุษย์สมบัติมาเองเพราะพระโสดาวันนี่ขอบเขตเนี่ยทำอาหารอย่างเขาไม่ชีเวกเขาไม่ขอบเขตเขเบียดตัุรีนตุรนะผู้อืน่นคนก็จัดเข่าในชูประเทตั น, น, น, ทตนโน แต่ก็ผู้ปฏิบัติอยู่ปฏิบัติสอบในท้างพุตตศาสนาศาสนาอื่นๆมมีโรคอุตละไม่จะโรคกี้ศาสนาพูดอย่าีโรคอุตละแต่ขาวว่าข่าวว่าไมีโรคอุตละศีลหประการนี้เคยหัสควรรักษาเป็นนิตถ้าสวดาบันนี้เคยขาดควรถึงเป็นนิด กาวาลังขันพระโสดาบันคารวัลเป็นผู the they the ้ดูแลพระพุทธศาสนาไม่มีแง่มีงอนไม่สาคัญตัวว่าเป็นนายพระพุทธศาสนาพระโสดาบันไม่สาคัญตัวว่าเป็นนายหน้าของพระไม่สาคัญตัวว่าเป็นนายหน้าของพระพุทธศาสนาสาคัญตนว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธศาสนาอยู่เสมอเสมอ เมยามัจกรสองจำพวกจําพวกหนึ่งถือตนว่าเป็นนายพระนายเนรจําพวกหนึ่งถือว่าตนเป็นลูกศิทระสิทธเนรจำพวกที่ถือตนว่าเป็นลูกสิทระสิทธเนรนั่นเองจะไปสวรรค์จําพวกที่ถือว่าตนเป็นนายพระนายเนรนั่นเองจะไปนรกอยู่ในภัตตาภิรกปินมุทุกันขับออกมาสมัยสองพัหารอย ปิ้นมู้ทุกกันมันได้หาประโยชน์ด้วยออกไปแล้วล่าสุค้าออกไปแล้วก็คัดเรือออกมาจากแล้วไปไปรบแล้วมาเขียนไว้ในแล้เอามาพิมพ์ไว้ในดวงปทีบของเราดวงปทีบก็แปลว่าปทิบยิบปทิบใจเห็นเห็นธรรมละผูได้ในดวงปฏิบก็คือนับต่พระสวสดาบันไปในดวงประทีบ ดวงปฏิบคือดวงปัญญาเห็นถ้ำเน่ว่าสงสัยในถ้ำพระเจ้าไม่ทรับตื่นพเพนฝ่าเพนดินว่ท้อได้พระสวสดา a ัน n ขันได้พระสวสดา a ันแล้วมันก็เปิดประตูไปหาพระสักขาข้ามเี่อานาค้ามเี่พระหันได้ตัวเพราะเป็นทางเส้นเดียวกันเน่นก็เปิดมนุษย์สมบัติก็เปิดสวรรค์สมบัติก็เปิดพุทธสมบัติ เปิดประตูนี่านเขวัดไปเนี่ตัวคันว่าจังสันอะยังปิดอยู่ยังพ่ายเรือวนอยู่ยางามถึงคึกถึงกุศลผลบุญของตนก็ได้ไปสวรรค์ได้ไม่รักรายมัดมดกุศลผลบุญของตนที่ทำแล้วเกิดเมาอเกิดเป็นชัตติเะฉานเป็นเปรตเป็นสุรกายสารพัดเนยแกคนก็นกล่ำสินั้ไป น, นี่ไม้คว้าูทธชนคนหนาเรบุญไม้ร้ายไปนี่ก็ะาม นิ่มที่ตายมามาละลึกถึงกุศลผลบุญของตัวสามารถไปมรหกพวกโรคเกียรไปมรรคมัดแล้วตั้งสสเสถียรภาพเสมอสุขของตัวที่ตัวสมัยในเวลาใกล้จะตายส่วนพระสสดาบันว่าเป็นสัน้นตายหงตายหาตายโยปลาตัวก็ใหม่ข้ายส้นกระตามตายยามใดกระปิดตัตู่สัตติรชาน เปิดอสุรกายสัพวนกรกมเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์สั้นสูงย่างเกิดโดนอีกสั้นสูงอไม่มสั้นมากถ้เกิดเป็นมนุษย์อะม่สาจพวกจาพวกนึเกิดอีกเก็บ้ยสบเขาสู่พัน์านอะจมพวกพระชวิตะมันจาพวกนึงจมพวกโมหะจริต จำพวกที่โทษสาห่าฆ่าจลิตเนี่ยตายไปแล้วเกด อ, อีกสามสาขอสู้พระนิพ้านพวกโทษสาจลิตนี่ยพระสัทธอรมโทษสาจลิตเนี่ยเกิดอีกสาดเดียวกัเขาสู้พระนิพานโทซ้าจลิตสามารถเไปเ่อใจได้ สมัชชิไปสวัสด์สมัชิอื่นาโทษระหวังเาาพราะโทษสะของท่านว่าสามารถขา่าวััดได้เทียบที่ซื้อว่าสามารถที่ขา่าวซัดได้นับเตือนมุนตวเดียงเมื่อตัวน้อยก็บ่กสามารถที่จองเว้นอีกแตเขาจะทาพิษจนน้าตายกระซังโอ้ยรับหลังเขาสิว่าอวดว่าอวดกระซังนใจต้องนึกว่าเคยทาพิษ หรือจะเป็นอุท่านออกก็ตามหรือสิบวเป็นก็ตามยิตใจต้องนึกขาดตัวอะไรวะค่อยจะทําเขาจะศาสตร์กรขายไม่แล้วไปเะนอเขามาทําไมก็ขายมันแล้วไปซะผู้ข่ า, า, ส, ขาสิบวตอบเมื่อทานั้นผู้พงประโสดาบันเคียบยุ่งหามวัตงกับสิตอบแทน่นวัตถึงกับติดจองเวน้นในด่านมนุษย์ใน ด, ด่านทรัพย์เจริชานหน่งว่าสามารถจะขายตายน้ำจิงยงจกตัวหนึ่งเงินหน่อยจะเข้ามาเห็น เร่องอะไรจะหลงสติวันหลงสติขั้นนี้ยังสงมาเก่าแล้วมันปฏายซารู้เรื่อว่าหลงสติเห็นว่าเขาโทษ ข, อข้อขาดทรัพย์นั็นเจตนาของการขาดรัตย์ตรงนั้นก็มีอยู่ารู้ว่าสัตว์มีชีวิตอยู่หนึ่งและสัตว์ก็มีชีวิตอยู่รู้ด้วยพยายามจะฆ่าสัตว์หนึ่ง สัตา์ตามความประสงค์นี่องค ห, หาออองยมัยังหัวเรื่องมาซะย้อนน้ำมาเป็นองสามรู้ว่าชัมี่ชีวิตอยู่เพรงาา่ายง่ายคาคาหายตายตามข้อประสงค์ย้นน้ำมาเป็นองสามมันครครั ข้างยางปลาเหยียบมันมเน่เน่เพราะฉะั้นบ่เสียศีลหมอบ่เสียศีลแต่ห่างเป็นเว้นศีลมะขาดศีลแก่หงศีลดางศีลพอดเพราะบ่มีเกียรติน่ากระบาบคิดคำว่าก่อนบ่มีเกียรติน่าก็เป็นเว้นคิอคำว่าตัวนี้แดงศีลทำมขาดก่ห่าง่างของพอดเพราะเราสำรวจเพราะบ่มี เหตุสั้นลูกสีตัวหนึ่งนี่ศาสนาพักกัตสป่าคนละนีกรพุคนดีกรกะคือเคยซั ก, ก่นันแม่อนเท่าไปแม่คนเท่ามันเป็นแม่อนเท่าแงม เ, เ, เดี่ยวจะหางไม่มีลำเหลียมอยู่ปลายได้จักงอยซักไปซักไปล้ไปบุงมันหนึง่งมันน้ำแห่ง หน้าไม่เป็นแหงแล้วบุ้งน้งาซากไปมันตะลักถึออกหัวกบกบพงมันตายกบพุงคนก็บอกว่าหัวากตายนุ่มากย่มาอยู่หอดสาปชนะพระพุทธเจ้าของเราเนื้อมาบวชนพระพุทธเจ้าของเาเดินยุ่กลมยู่ไก่ปลาคนโบราณเขาไปไล่เื อ, thế, เ, อ, อเลยเจอเขาสัตหอกเ่ย ออกเนี่เอาเชืองมาหนีเต่ว่าใกล้จะขนะเข้าบ้านแล้วนะซัดเข้าไปแล้วไปถือคนคนเดินจกลมอยู่้าลุเลยคนก็เรียกว่าปากละ่ะคนอดเอาถอดหัอออกแล้วเอาใบไม้มาอุดข้ามเดินูุกลมที่ยังนากองทุกเข้าไปก็มากก็เลยคนจากกิเลสตายอยู่ห่าง คนทั้งหลายมิอร า, ามากเห็นแตจมคอยแต่ก้าวกันหนึ่ง ห, หดอดของพระองค์เจ้าในศาสนาพุทธเจ้านแต่ว่าคุาคคา้นำสางกรรมาิธีนีนก็นแรกว่าเราไม่ถวกป้าของเรแล้วมันมีเจตนาป้าที่เป็นป้าละมเมะแนี่คือป้าละมเมะแน่แถวพ้นทาง มันสีนี่มันคนเดินกลมยัง่งข้างน้อ่มันสีเรเห็นคือมันสีเงาไปแล้วบนทางหละคือม่นไปเดินกลมคือสีประเนวัดคือเป็นทาคสามันเจ็้านบเงินสันละขแม่นวัดมันกตอกสีดระวังแกซาดกรข่างนั่นข่างนั่นพระองค์เก้าเพิ่ว่าเพิ่นเป็นฤาษีตัวว่าสันเพิ่เดินท่าไปซักง้อคบห้อบจ่ายโดยง้มีเจียทงงาน เขาทกขเข้าไปเขากระโกมีเกล็วหน้าก็ะถือคนนี่กันว่าวคือพระองค์เจ้าห้ว่างยาเขาพิสค้นไข่ตายถ้าทาาักเขฟูเพิ่งผ่านกรรมอะไรนั่งตามมาฮะพระพุทธเจ้าบันดาลในจินในจินงววันในสันง่วงวนสันง่วงวนเข้าไปมันจะพิส ก, กรบโหกฤทธิชดวงเพราว่านนะ้าพระ อ, องค์เจ้า อาชีพออกเป็นรือทายออกเป็นเลือดซักเซฟเเริ่มสอนเรืองเมูเชนาลรเขากเริ่นนิ้วข้าในวันนั้นจนว่ากรมตามทังว่าพระพุทธเจ้ามันห่างมาถึงเลยมั่นก็เถิงมันกระถึงแค่สกุลละลายกายจิตใจคนมันก็เป็นที่คนคนจากที่เรศแล้วถ้าการรักสินหาเขา น, ใ น, ในบ้านคนบ้านวะนบ้านเจ้าวนม่นพรรักษาเียงหาแล้วทำไนนาะถ้าเฉิวพุ่งพระธรรมประสงค์ตลอดชีวิตเนาะเิวงุณพระธรรมประสงค์ตลอดชีวิตแล้วลุ่มได้ไลุ่มได้ก็ดีตาเ่าเขาทุ้เขนพานคนละของปูขาดกรองขาดไปขาดปขาดพราะพระธรรมประสงแล้วลุ่มได้ไลุ่มได้ ตั้งซักไรกนสั้งัไรันั่ตงอธิษฐานรัเรย่าอธิษฐานปรามัตาปรมีสันโนเรีกว่าซัจ้าปรามัาปร้มีสัมปนโนเลือดทุกยศกับิบรพุทธเจมโสัวล่ทุกชงทุกยาาสั่ว่าเอาเื่นเป็นสาระเก็บป่วยมาแต่าอยากมากินเท่าเทาก็เท่าย่มตายในพระพุทธมสถศิวตัวผีว่าสางมาเห็ด ผู้ชม่มมบบบทประสงค์ับี่สามโมกข่ายได้ีสาบเห็เุได้แล้วเสียดายอยกลวงลมดชีนหาค่ะีดาอยากลวงละเมิดยู่ น, นันน่นกบปรมาพระสวดสดิ์นี้เห็นโทษว่ายนหานี่คุณได้ลวงละเมิดนี่เป็นเว้นเป็นไพ่ต๊ะมรรคหกดวงหลายกับหลายกันมนี่เขาเอายอดที่สุดนี่ สักทีว่าตีเดิมอันนี้สองเส้นหามัดมื่นมัดกระมือจบอ๋อค่ะมีเส้นหาบอลบูมขัน้นเส้นหามันพ่าคนทุกคนจนพระผู้ทุกเจ้ากระดุกกโดงทันตัวมาสอนทางโลกทั้งหลายทุก่นนอนรักษาเส้ น, นหาเพงจะเล่นซับสินได้มากน้อยกับ่มีพ่ได้มากหายกบว่ามีพ่ คิดใจก็เป็นซุดแล้ม่เว้นในไผ่ปศ เ, ว, ป เ, ว, ปไไเ ว, ว้นปศเว่นปศไผ่เลยเว้ยแล้วมันีเว้ยแล้วมันีเว่นแล้วอ่ะไปอันนี้ธานาทิปาตาเว้ยแล้วมันีเ ว, นว่นแล้วอ่ะไป่อันนทากทางสมาธิานี้จะคิคำวัดหนึ่งอาชินาธานาเวแล้วมันีตรงนั้นกันเ ว, นว่นแล้วมันีปนไปเอาเว้นแล้วเป็นนะั้นจังเว้นถือว่ามันเป็นเว่นเป็นไผ่เลยเคื่อ้ํางเขาทงทถิมแล้วเ้าพระเสด็จเอาขึ้นมามันจิตเป็นมันสิตนัดไกลยังไง ม่นกันักใจไปี่ห้าวเชื้ได้อย่ารวงละเมืดอนะเชื้อได้อย่ากรวงละเมืดอมันกับนักไก่ที่ห้ากับศีนกับรักษาห้าวได้ห้าวเขาม่ได้รักษาศีนแล้วฮะเนียเพาะห้ามเช้อด้ย่ากรวงนี้แต่ห้าเชื้อไดอย่างรวงโอนอย่างแ่มันอย่างแกเข้าไปรวงเงองเยอว่าห้าวรักษาศีนท่านเนี่เนห้ามันเชื้ได้ยจะงรวงละเมื่อแตศีนกับรักษาห้าวลยลองสั่นมารักษาใจห้าเอาแล้วหก่อยยังไงเนาะถ้าใครจะซูบเงินเนี่ย นี่เพิ right. Tim, <case> ่เขียนหน่อยนี่เมนี่เพิ่เขียนหน่อยขอโทษท่านว่าั้งข้อนี้ผาน้านัสือกได้่หนังสือห้ข้อดหรือ่หนังสือีข้อกเดียวหรือสอง่ะเอาหนสอน่อนอนจะนอนรับข้าวผาหูห้ ทำโม่ก็ยอน้ำกันนะรสังโคก็ยอ่นำกันเาว่าอัฟอนหย่อนไปเลยคือห้องจำนังนี่ก็มันกรถือเนื่อกี้กระดูกึ่งกันถ้าพุทโธมันก็ทำโม่ก็ยู่หันพุทโธแต่กูรัแต่ว่าผูรักบาบังเพื่อนบุญทำโม่ทรงใหม่สิ่งละบาบังเพื่อนบุญสังโคะประทศบัตเชอระบาบังเพื่นบุญนี่ว้ไหมายอันเดียวกันอืมถ้าชุว่าพุทโธผมก็ต้งใช้ถ้าชิว่าพุทโธทำโม่สังโค่ ก็สงสัยสวาสามควบวาสองวาจะทมโม่ก็บรรงส์สผู้โทพผู้โทษไปยื่กันกันวาจะสามควบก็บรงสัยผู้โทษทมโม่ยุ่กันได้ยุ่งกองคำันสลาดจะสั่งังไงเวยวมามื่อวานี้ถึงสามควบมึอไนสงุบจีว่าว่าจำเก่าเหรอคำวบหมายจะฟ้องหู่ัก ทเทวดาอยู่ในผู้มาว่านเนี่ยเบิ่งเห่าขับแแเ ท, ทเวดาอยู่ปุ่มกาก็ใหม่ก่อนเห็นงูตัว คิดความใจว่จะมโนท่านบเทวดาต้องเห็นเฮาเบ่งแนมพฤติการเฮาในทุกงามเวลาออกมาเห็นหน่อยนี่ยสองตัวออกมาปฏิสันฐานม่งมุ่งทุกงานมุ่งเนมิจฉคเห็าพระเมีตาดข้ามัแล้วนูว่า เป็นออกบริกรรมมันกระเทือนเมื่อแต่โลกระานเหมืนกัน น, โ น, โ น, นี้องมาตอนรับเมเนอห น, น้าตอนรับร้มพระเจ้าเมตตาถ้ำพระเจ้ามันถทำเขา เงนบักงียแล้วแบบไงเนี่ยค่ะวัดไงขนาดนี้หมดเบื้องล่างสอาดจนก็งกาให้ใส่กุหลาานี่หลายกลุ่มหลายกลุ่มหมดบัดาลว่าจะใส่หรือพราะว่ไหนคนนึงม่งออกกับคนเดียนี่ยไม่หมดคนหลานศ สำคัญตัวเราทำไมปฏิบัติกรจิังดื้อสั่นนั่งร้องแถ่นี้ปฏิปายอย่างนี้หมอเออหัวใจานใจิันหิบัตกรรคณิตยังดื้อั่นนั่งดูว่าปิปายอันนี้หันย่างนี้หมมทะโิบัติอันนี้หันอ่างนี้ออืม ฮะราคาชุดกอคนละอันนี้มันอันนี้มันอย น, นีมันมันลงโถงเลยวัดคนตายปวดมันจะกรอบคนช้อยไปหมดท่านี้ก็ปุ๊บจะกรอคนชอยไปหมดอันนี้ลงโถงนะครัเที่ยงขาหลังองหลังเท้าหลังลงโถง มันลงสูงมันขนทางเขา่าขนกลางบาลอพยพข้าพุนจะกรอกกรซ้ายไปกอกกซ้ายไปแล้วกับไปฟุกตีแล้วกับไปกอกกรซ้ายไปเ ม, มื่องสูงอย่างที่เห็นนี่ลงสูงมันยันมีวันมีวันรับแขกข้ไปอีกปเกือบกิโลนึงคนละไค่นี้ไปแค่นี้ไปกเกือบกิโลนึงคนละเฮ้ยดืนละแสน สัร่วมกันสรวกันสลาหลังไสันร่วมกันสลาหลังนี่แหละสันร่วมกันร่วมกันสันมือเหียวเี่ยวข้างเดียวดี่มช่นเื่อนหอกม่น่าสั่นนนาฬิกาตอนเช้าสั่นอ่ะเนาฬิกาะขนาฬิกากลัวเจันอย่ะล่ะชื่ออก็แปลดนาฬิกาอ่ะแปลตัวะหรือกน นิจจานิจบาตรี่สายไปายนี่ไป้ายนี่กิโลหนึ่งไปายนี่กิโลกัวไปสายนีกิโลไายปุ่น3มกิโลมันเป็นวันนบตรี่สายสาหรับอาตมาไม่ไปเพรว่าหลนิวบาตรทมันไม่ได้ไปเลยกี่ะมันเกี่วพัดโลโล นี่มี่เนื้อคัวมี่บมบิ้นเนื้อคั่วไม่ไหวอันเขาพระ่สัมเน้อหามันบะพาะเนื้อคั่วจังนี่เนื้อคัววย่ลุ่มมั้งล่ะเนื้อคั่วอันตอนยุลุ่มมอญพระจากองค์เราดนวยหายนี่จะจะโรคเนื้อลั่วอะไรอย่างน้ับซาาพระเนี่ยมันสวยังโลกประันมั้งหืแล้วกอ ว่ากันไก็ไ่่่นอะไรหบอเมร์เอยมันกุศลอืมอืมอันนู้นอ อ, อ, อันรูรมนู้นอะ ม, ม, มันบานพักของ บราพักของนาของโน้มของพระเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าพระสงฆ์องค์เท่าเทามากพักคืนมากมีอะไรจัดงัดเขาพุ่ น, นักเขาอันบันถึกขุนผู้ขงขุนคืมากมีไไอะไรเป็นบางครังบางข้าวมันยุ่เป็นวัดมนไม่พายุหรอกพระเจ้าพระสง์มากองค์เท่าเ่แ ก, แ ก, แ ก, แก้พระศารถาึืนมากมีอะไรอย่าข้ามขึ้นจะขึ้นสองขึ้ น, นก็ต้องจัดงัดขึ้นพุ่น คนพ้นต้องการด้วยกันหน่งคนพ้นต้องการเกินมากขนาดให่เกินเกินมาอนั่นสุ่มนั้นมันก็โรคใจขัวมันก็เป็นโรคขัวก็ว่าได้แน่นอนมันเป็นโรครัวก็ว่าได้มันก็เป็นที่พัดของคนก็ว่าได้แน่นอนหรือว่างสัตว์อวบซ่อันพระเข้าจะไปพกกลุ่มเือกลุ่มขึ้นก็หันไปจเป็นมันก็ไปได้อาหารจะตำหมอนหม้อโกกระารอะไรหัน วัดนั่นคือทำเอาภัยเอามั่นไม่ให้กระทบกระเทือนกันทำวัดนะทำเนียบของหลวงปู่มันว่ได้ร่วมกันทำวัดร่วมกันทำวัดตั้งแต่มือลงโอโบชดกับมือเข่าพันษาอธิษฐานพรรษากับมือมาขะกับมือวิสาขะเรือนอกนั่นการทำเอาภัยเอามั่นไ่ให้กระทบกระเทือนกันภัยมากมายการทำหลายงนงเงียบเงียบของภัยของมันให้นักทั้งภาวนา ปฏิปทาของหลวงปู่มันะมันก็มีผู้ออกมาใส่ยุจากเด็กสำนักนี่กับสำนักหลวงปู่มหากับนี่หรอกนึ่ระวงังปฏิปทาอเ น, นี้ยนี่ระวงังนี่สิบสามสิบวัดนะะกรรมานน่ยปฏิปทาอันธวัดเอาไปเอามันเนี่ยสมัยนันกับหลงทําวัดพร้อมกันวัด นี่มือเศร้ามือแรงนี่บอเพื่อนเราของพัยของมันเห็ดเอาหัวจัดของพายของมันเห็ดเอ า, อ ส, อ า, อเเอาสีเห็ดร่วมกันจะมือลงอว บ, บอสดแล้วก็พระธรรมวัดแล้วจะลงอวบสดมือสับพันศาเนี่ก็ธรวัดแล้วอธิษฐานพันศามืออบบอกพรนศาทรรวัดแล้วคำแต่ว่านะออกพันษาหลวันวิสาขะวันมาฆะพญาธพญโยมท้ำเหล่าเทียนเทียน ธรรมเนียมของหลวงปู่หมันเป็นไงครับธรรมเนียมอื่อนเราว่ได้นั่งจุ่มกันภาะวนากระปั้นเรื่องนั่านั่งจุ่มกันพระวนาปฏิปทาหลวงปู่หมันมั่มีเลยถ้าการมาเห็ดใหม่คือเลยนั่งเป็นเท้านั่งพาวนาพระนั่งพาวนาธรเนยมของหลวงปู่หมันมั่มีว่ามันเนี่ยเห็ดเลนว่ามันเนว่ยที่ว่ามืดตาน้อยเบ้องการดูส่วนตัวเพิ่นขางไทยของมันเห็ดเป็นว่าได้ควมยังได้มาถามส่นตัวเพิ่นเราเรื่องนั่งภรวนาร่วมกัน เนื่องจารา้องกันอย่เลียงหาจินยาซ้องหาจินขนมดอกปนมันเด้เก็บปวดบอปคนบอกเอาะเก็บปวดบอกคนบอกแม่นหมดล้วเพาวันาหองพ่กหองมั่นโยบานอยเมืออก็สร้างโยไซก็ตามไม่ใช่กันมันสองไซเรามาถามคนวางสั่งท่านได้ขว้นยังไงบอกคนบอกอุสันได้ร้องปูมันเรารลิกไปก็มือห้าวเนี่ยมืห้าวเนี่จับนังเป็นเทาเพราวันหนาเนี่ยกระทายลูกอ๋อไปเช่ยวถือคนไปเที่ยวหลอกกินขนมคน เดี๋ยวมันก็กลั้นลยฮนี่โอ้สั่นว่ะนั่งเศรษิจเนี้ยอันวดซิวดวดามันก็บ่เีนี่เน่เอาเอาไรอย่งเ้อาอนื้จับกันบ้นเอาอันเียนไหมันชี้อะไเจียนไซมันชี้อรมตะมุนอืมตมุนมันียุ่ เชนะยงที่ราันจะ อ, อ, อ, อ, อ่ตาเห็นว่าเห็นห้องบอละตา นังสืออะไรพวกไว้าะนังสักษเขียนหน boss, ้ราการ่ไหมทีหารน้อ่นี่ว่นี่ยเนาะเนาะเจไว้เลยเอออยันี้ฉีเอนีอัีเขียนี้จุกจุกเนาะเทารานเี่ยทหารเนี่ อะนะสิบอช้อะนะสิบองใส่พระซ้มุ้มวดอย่เง้ยนะ้มยวดซ้มวัดใสมันจะยวดเดียวกันมงนี่เอออยู่ในโอวัดนี่ยอวัดฟ้องเทาอันซุ้มนี่ว่าซุ้มวัดนี่ โมเมนต์โมเมนต์สิยู่ถึงตนี่อันบนลงโถงเนี่อันบนเกอกเป็นชอยไปอันเดียวกันจับเป็นวัดเดียวกันเอออันี้หาชิปกเซียบหลังแตอยู่ในวัดเดียวกันเนี่ยอำนาจเดียวกันอำนาจของท่านนี่ไงอานาจของท่านทา่พระองเจ้าอันเดียวกันอันนี้ เออไปซูบไปซูบแล้วภาวนาพู้โทพโทไปเนาะภาวนาผู้โทพผทโ ท, ท, โทไปเนาะซูบ ไ, ไปฟังเทศพันซูได้อย่างนีได้ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพระพุทธพระธรามพสงฆ์จะใส่ยุ้หัวใจอนี้ว่าสันนอกเนาะเออว่าสันว่าไปซูบไซูบคำนี้เมาลางังค่วนตั ว, ต ว, ตตวมันดูไกลบ่มันดูไก่บ่ ไกักกโลไก่ยักอชิโลป่จักรชิโล่เห้อว่างร้อันทียูนไหนกบไม่ยูวันกวดตัวไก่กันก็บรรทด่บาไกเออแล้วแนกับกบนไหวอกเนาะยูไกยู อ๋อใช่หรือหรอเอาเพิ่มยังก่อนเนี่ยเอาเพื่อราสีบอโอ้ใช่รับสังรับสินทรัพย็เนี่ยมันขึ้นมันขึ้นเฉพาะคำบอ โอ้คืนชี้สะเกดราคาืนชิาภาพอือใจขอใ จ, อใจเฮ้ยเป็ดชกเปิดนนะ้าพ่อมาหน้าใส่เก่งนะนี่เป็นรุ่งเดียวกันแ น, น่น อ, เเ อ, อน เ, น เ, นเออใช่ปฏิเสกคุณว่าปฏิบัติธรรมยังไงบอสตรกูลอันสมาราทิฏฐิขอใจแล้วฮั่นไตกูลสมาราทิฏฐิ ถึงกระบามถึงสามเนี่ยึงขาเนี่ยภาวนาเนอะเอารถไกอัพมาบอเขาขอขึ้นรถจะให้ขึ้นเอะดวนมากคลบดวนมากคลบราสันหนะเอยิ้มใช่เขานะดวนมากคลบกรสั น, เ, นเขาขึ้นมากหรเขาจี้เอขอไปนัม่มขอไปนด้ไปหืม นั่นไปน้ำไพอไปน้ำแล้วท่านยางสวบอกครับราาโโออเออออป็ุกเปนชุบชุุุคบคู่นี้บางนึงนี่จะคู่กันึงนึงอันนี้สงกาบตหดวงปู อันนี้สมกับตีนแมภูมิหัว่านว่ามันกาบตีน น, น, น, นี่เลยนี้ครบนี่ยเพรานี่ยมันกาบตีนเทากับตัวตีนอันเดียวกันกับห้องเฮ็ดหัวอ่านกับสอบแสดงเห็นว่าห้องเฮ็ดนึ่้ว่ววมันห้องเฮ็ดมากง่ายสาเทยังไงมนใจเขาไปใจเข้าไปต้องสั้นนี้นีงเลยนอตามดูอ๋อ